สิกขาบทที่สองภิษุณีบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนมต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังบวชให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี